พระธรรมเทศนาแผ่นที่76ลำดับที่19โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สามมีนาคมง2558มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมผู้มีพระคุณ วันนี้เป็นวันที่สามสิบมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดหลวงพ่อเองได้ออกจากวัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเดินทางไปงานของคุณแม่ชีแก้วที่เราประกาศทุกปีที่ผ่านมาบอกว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา จะมีการทำบุญลำลึกถึงพระคุณของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับผู้ใดใครก็จะรู้ได้ด้วยตนเองแต่สำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่าคุณแม่ชีแก้วเป็นส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อได้ประวรณาตัวว่าจะเป็นงานอะไรก็าตามที่เป็นของคุณพ่อโยมพ่อโยมพ่ อ, โ ย, พอโยมแม่ คุณแม่ชีแก้วหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงตามหาบัวอันนี้คือที่หลวงพ่อได้ภววนาตัวติ่เข้าไปมีอะไรเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่มีอะไรเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วมีอะไรหรือเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปนานแล้วลำลึกถึงพระคุณของท่านอันนี้หลวงพ่อก็ได้ ทำมาโดยสม่ำเสมออย่างเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเราก็ระ ล, ลึกถึงผู้มีอุปการะคุณกยยกยมพ่อแม่เป็นหลักจากนั้นก็รู้วันที่สิบก้ามกราเราก็หลวงปู่หลวงปู่ล่าแต่วันที่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาอันนี้เขาคือของคุณแม่ชีแก้ว แต่สําหรับหลวงตามหาบัวเราก็วันที่สามสมกราที่ผ่านมาแต่สําหรับหลวงปู่จ้ำหลวงปู่ล่ามรณะภาพวันที่18หลวงปูล่ละหลวงปู่จ้ำ ม, มรณภาพวันที่19 <c oughs> แต่สมภารท่านไม่จัด่งเมื่อสมภารไม่จัดเราเก็จะไปจัด ต่างสมผานก็ไม่ได้สมเมื่อสมพานไม่จัดก็แสดงว่าสมพานท่านมีอะไรท่านจึงไม่จัดอันนั้นก็เป็นเหตุผลของท่านแต่ว่างานของคุณแม่ชีแก้วเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อกอ็หม้อไผ่นะหม้อให้ดูแลทางคณะสงฆ์อำเภอคำชัอยอีตั้งแต่เจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์แถบนั้นให้ดูแลนะ พอลวงพ่องานหลวงปู่จามวันที่ห้าม ก, กราเสร็จแล้วหลวงพ่อโอ้เหนื่อยไม่ไปอกีกแล้วพอไปอยู่ที่วัดปั้นห้อยสายดานหรื อ, องานของคุณแม่ชีแก้วก็มอบให้พวกน้องๆก็แล้วกันพอะจะตุปใจหลวงพ่อก็มอบให้ให้ไว้กับคณะกรรมการมีสมภารวัดปา่าบั้นห้วยสายนะเป็นหลักไอ้ชูเจ้าจัดหนะ้า ถึงยังไงคุณแม่ก็เป็นคนบ้านห้วยทรายเป็นหลวงพอ่อร่วมใสของลูกของหลานให้ช่วยกันดูหนะ่าหลวงพ่อก็มอบเจตุปัจจัยให้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปฟังฟั ง, ฟ ง, ฟงดูกอมมาหลอมมาแหลมสมพานก็ไม่อยู่อีกวันงานฮแล้วก็จัดงานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ฟังฟังปีนี้คือบ่ดทาท่าจะไม่จัดอีกหลวงพ่อว่ไม่ได้ถ้าไม่จัดงานหลวงปู่จามไม่เป็นไร ทางงานหลวงปู่ลาศงานคุณแม่ชีแก้วต้องจัดมันเป็นงานของหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองเป็นผู้ไปสร้างพระเจดีย์ของคุณแม่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้จัดงานขึ้นมาแต่สมภาร์ก็ไม่อยู่น้ำมัววานมันก่อนแสดงว่าไม่ให้ความสำคัญไปที่ไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อดูดูแล้วยังไงยังไงพวกลูกน้องลูกหลานไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริง งานหลงปู่หลงตาเป็นหลงพ่อหลมใจท่านจากไปแล้วเราก็ราลึกถึงพระคุณของท่านมันก็น่าจะจบจบเกมๆไปอันนี้หลงพ่อจัดงานรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามเมื่อวานมากมากทีเดียวจะถูกปัจจัยของพวกเราแต่ว่าทางโน้นปัจจัยหลงพ่อก็ทราบข่าวว่าปัจจัยล่อยลอ้อ ไม่เป็นไรหลวงพ่อเ็เลยเอาปัจจัยไปทางนี้ไปถวายพระสงฆ์ด้วยแล้วก็จัดงานด้วยจัดทายาิโยมในกลุ่มของเราด้วยะถวายหลวงพ่อมาคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อเก็บเก็บเก็บไปอ่มันเหลื อ, อยังไงหลวงพ่อเอาปัจจัยวัดเนี่ยเพราะถือว่าคุณแม่เนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ท่านได้มาช่วยวัดของเราท่านบอกว่า แม่นี่นะไม่เคยสร้างวัดไหนไม่เคยให้วัดไหนยิ่งกว่าวัดของลูกนะคื อ, อามาให้วัดเราเอามาสร้างแต่หลวงพ่อจําไม่ได้เท่าเท่าให้ท่านให้เป็นไม่ใช่ให้เป็นก้อนมาทีเดียวท่านให้มาที 100, 100, 100, ละแสนสองแสนหลวงพ่อก็จําไม่ได้เพราะหลวงพ่อเองปวดมาไม่ได้ภาวนาเงินเงินเงินเงินหลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ตอบ พุทโธพุทโธอนิจองทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายข้าพปเจ้าจะอยู่ในโลกนี้ไม่นานมีแต่บริกรรมอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงละเลอกได้แต่ว่าแม่ได้มอบให้ปัใจจัยให้ลูกมากที่สุดนะนอันนี้ก็คือพระคุณของท่านในเมื่อท่านล่มล่วงลับดับคันไปเราก็ไม่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะท่านจตินิพพานไปแล้ว มีแต่ว่าลําลึกถึงพระคุณของท่านเหมือนกับเราแล้วลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหน่อยอ่างวันวิสาขาบูชาเราเวียนเทียนวันทําพระทักศีนว่างทั่วโลกแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเชิดชูบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าใครก็ตามที่เขาไปเจ้าทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พระพุทธเจ้านั้นแหะไม่ดูตัวเอง ไม่มองกระจกดูตัวเองตัวเองเป็นใครอยู่ในระดับไหนจริงจะทําบุญให้กุธิศุลกุศลให้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าพระพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณเราก็ น, น้อมลาลึกถึงลาลึกถึงพระคุณพระคุณของท่านประทูนพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเรา เราในฐานะลูกฐ า, านะหลานฐานะหลานอยู่ในท้องถิ่นเราก็ทําบุญเราก็ลำลึกถึงประกาศให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมเข้ามาพระหลวงตามหาบัวท่านรับรองรับประกันเราเป็นยังไงแม่ชีแก้วเป็นยังงไนแม่ชีแก้วเป็นยังไ ง, เ, ง, ไงเราเป็นยังไงเอาคําพูดหลวงตามายืนยันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่คนเพราะฉะนั้นพวกเราจึงน้อมลาลึกถึงทั้งองค์หลวงตาด้วยทั้งคุณแม่ชีแก้วทั้งหลวงปู่ล่าด้วย ทงังหลวงปู่จามเลยถึงทูปูจามจะไม่ได้จัดงานอะไรก็แต่ลหลวงพ่อเองลำาลิศถึงเพราะเป็นหลวงอาเคยอยู่กับท่านท่านตรงไปตรงมาท่านไม่ได้โลภ โ, โมกนะุณท่านไม่ได้สวงหาลาบยบยดสรรเสริญอะไรทั้งหมดท่านอยู่อย่างพระท่านยังสอนหลานของท่านอีกต่างหากสอนหลวงพ่ออินอย่าลืมตัวนะโตนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าโตนะอย่าลืมตัวนะ เราเกิดมาเป็นลูกใครเป็นลูกชาวนา เ, เมื่อเป็นลูกชาวนาเราต้องอยู่แบบชาวนามีอะไรมาใช้ใช้ตามที่มันมีมันเกิด อ, อย่าไปโลโภโหมโกนะอย่าไปหาสะแสวงหา อ, อย่าไปหาเงินหาเงินออกเอาเงินจากคนอื่นมาทาบุญเอาเงินคน อ, อื่นมาใช้เรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ตามที่มันมีมันเกิดในเมื่อเรา เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีเรายังค่อยใช้เงินทําบุญทําทานอย่างสดๆเพราะมันเรารวยในเมื่อเราเป็นกษัตริย์เรากดนั่นเป็นพระเจ้าแป็นดินเกิดมาพบใดชาติใดโลกเราไม่ใช่ว่าเราจะเกิดจะเป็น เ, เพียงแค่นีเ้เราจะต้องเกิดเป็นไม่รู้เราทำบุญเมื่อเรามีบุญเราก็ต้องไปเกิดในสถานที่ดี เป็นเจ้าว่าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีเงินในชาตินั้นเราจึงค่อยทำทำเอาอย่างเต็มที่เพราะเหนแล้เรามีเงินแต่เมื่อตัวเองทุกอย่างไปหาเงินคนอื่นามาสร้างม า, มาทำมาทำบุญแต่เมื่อตัวเองร่ำรวยขึ้นมาหลงเป็นทางสุรานารีภาชีกิฬาบดหมักหมมเป็นในอบายามุก อ, อันนั้นแหละวิญญาณโง่หลงปู่จามธนว่ฒน ต้องดูนะเนีน่ยนะหลวงพ่ อ, อยังฟังคําหลวงปู่จามแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนะพอหลวงปู่จามเป็นหลวงอาใช่ไหท่านก็พูดหลวงพ่อก็ฟังอใช่ตรงเห็นด้วยว่าเห็นด้วยกับหลวงอาวะ่ะเพราะนั้นหลวงพ่อเองเห็นไหมพวกคณะจตหาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่ อ, อยังอยู่แบบสมถัทธอแต่นี้ตอยถอยหลังเนี่ยหลวงพ่ อ, อยังระลึกได้ว่า การกระินผ้าป่าของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยแจกซองผ้าป่าแจกซองกระถิญเพราะเหตุไรแต่วัดอื่นแจกหลวงพ่อก็ไม่ว่านะแต่หลวงพ่อบอกวัดเราไม่จําเป็นไม่มีอะไรแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้านั้นหลวงพ่อก็ไม่รับรองเหมือนกันเหมือนหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวแต่ก่อนท่านก็ไม่เคยแจกซองกระินผ้าป่าแต่พอมาโครงการช่วยชาติเนี่ยเอาอุตรุษเลยข่าวนี้หลวงตา ออกอย่างเต็มที่เลยท่านก็ไม่ไเอามาเพื่อกอบโกยมาเพื่อตัวของท่านท่านเอามาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะ่ยอันนี้หลวงพ่อเห็นด้วยหลวงพ่อก็ทุ่มให้ท่านอีกเหมือนกันท่านยังประกาศด้วยว่าอา้าวผ้าผ้าผ้าปลาแปดหมื น, 8, 000, มนสี่พันกองนะกองละ8ปดพันถ้าไม่ได้ครบเงินอย่างที่ต้องการเเราตายดีกว่าปุณห์ประกาศถึงขนาดนั้น อจากนั้นในช่วงนั้นเขาก็กลัวหลวงตาจะละสังขารจะตายใช่ไหอต่างคนต่างทุ่มใส่โอ้เหลือเฟือเลยเหลื อ, เ, อเงินจํานวนที่หลวงตาได้ประกาศไว้ในช่วงนั้นก็มีเหมือนกันนะแต่หลวงตารู้แล้วเห็นแล้วเท่านว่าจะเป็นยังไงก่อนที่ท่านจะประกาศออกไปอย่างนั้นแต่พวกเราหูหนวกตาบอดมันก็เลยกลัวแต่ท่านหนูแจ้งตาสว่างท่านมองแล้วเห็นแล้วมันเป็นยังไง ท่านจึงได้ประกาศออกไปท่านรู้แล้ว แ, วแนวมันจะเป็นไปได้นะท่านจึงประกาศนะเนี่แหละอันนี้ก็คืองานของคุณแม่ที่ผ่านที่ผ่านไปแล้วเมื่อวานลุงพ่อไปวันที่ยี่สิบเจ็ดไปก็เห็นพี่น้องประชาชนจัดทาญาติโยมเตรียมงานกลางต้งกลางเต้นอะไรลุงพ่อเห็นก็เออดีภาคภูมิใจพอตกวันที่ยี่สิบแปดเย็นก็มีพี่น้องประชาชน มาร่วมงานเยอะหลวงพ่อก็เป็นผู้ปารบหรือว่ากล่าวส้ำหมดทัณยกถาแต่ก็ไม่มากเพราะว่ามันจะดึกเกินไปแต่ตอนเช้าพี่น้องประชาชนก็มาใส่บาตรก็ล้นหลามอีกหลวงพ่อก็พูดน้อยนึงก็ไม่มากพอเห็นว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาทำบุญทำทานมันอากาศมันจะร้อนเพราะว่าเราอยู่ในกลางแจ้ง กเกษตรเก็บ้อยแล้วหลวงพ่อก็เดินทางกลับวัดเมื่อวานเนี่ยมาถึงวัดก็ยังไม่คำ่ำนี่แหละการไปของหลวงพ่อคือจะแจ้งข่าวให้ลูกหลานคณะจตหายาดโยมได้ทราบแต่ถึงยังไงก็ตามความกระตันอยู่กตเวท่ตาจุดนี้แหละให้มีอยู่ในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายเราไปเกิดณนะสถานที่ใดอยู่ณนะสถานที่ใดอย่าลืมพระคุณ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าพวกเราไหว้พระแต่ละครั้งนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ก็คือเรากราบน้อมลำนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นเราถึงเราจะเกิดณชุมชนกลุ่มใดพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณ เราควรจะระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ของเราเมื่อพ่อแม่ของเราล่วงลับดับคันไปเราไปทําบุญที่ใดเราประกอบคุณงามความดีที่ไหนเราก็เ อ, อื้อบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญในคราวนี้รักษาศีลในคราวนี้ไหวพระสวดมนต์ในคราวนี้รักษาศีลอบวชชีพราหมณ์ในคราวนี้บวชเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในคราวนี้ บําเพ็ญภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพาเจ้าระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีขอให้พ่อแม่มีส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกครั้งหรือว่าผู้มีอุปกรณคุณกับข้าพเจ้าให้มีส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกครั้งที่คข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีนะต้องปวารณาตนอย่างนั้นอันนี้เป็นผู้ไม่ลืมไม่ลืมพระคุณนะ คนที่ไม่ลืมพระคุณของคนไปอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าไปนะทนสถานที่ใดเนรและคุณคนอิจช้าคนพยาบาทจองลางจองผานคนมีแต่ความจิบหายกับคนคนนั้นถึงจะไม่เกา่าไม่แช่งก็เถอะมันความจีบหายมันอยู่ซึ่งหน้าซึ่งตาทีเดียวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจัาาตยายาดโยมทุกหมู่ทุกเหล่า ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อก็เหมือนกันนี่แหละเห็นไหมหลวงพ่อพาดำเนินมาเป็นยังไงไอ้หลวงพ่อเนี่ยลำลึกถึงพระคุณนะแล้วก็ไม่เคยพูดที่จะอิจฉาพยาบาทอาฆาตเพราะหลวงพ่อคิดว่าอีกไม่นานชีวิตของหลวงพ่อน่ะเจ็ดสิบปีแล้วอีกไม่นานอีกกี่ปีนะหลวงพ่อก็จะจากไปแล้วอันไหนคือคุณงามความดี แต่ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องหลวงพ่อจะพูดในสิ่งนั้นมันไม่ถูกใช่ไหมถ้ามันถูกเอามาชี้แจงให้ฟังที่ว่าถูกไหมที่ทําอย่างนั้นหลวงพ่อว่ามันไม่ถูกสิ่งไหนที่มันไม่ถูกหลวงพ่อจะบอกว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องไม่ถูกกับโลกสมมติไม่ถูกกับหลักธรรมพี่นายไม่หลุดไม่หลุดกระทำคาว่าธรทำคำนี้คือเหตุผลไม่ถูกกับหลักเหตุผลน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ลุงพ่อจะต้องพูดตำลักเหตุผลนะไม่ครับไม่ได้ใช่ว่าจะดูถูกเย็ดยำ้ำผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่มีนะต้องพูดตำลักเหตุผลฟังดูซินี่ตีลุงพ่อพูดนะมีเหตุผลไหมมีเหตุมีผลไหมถ้าไม่มีเหตุมีผลลุงพ่อกลับพูดกลับคำกลับคาพูดใหม่ก็ได้ถ้าอ้างผูอื่นมีเหตุผลเหนือกว่านะ ถ้าเนียถ้าเหนือกว่าลงพ่อเออถอนคำพูดหลวงพ่อก็จะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าหลวงพอมีเหตุมีผลเนื่เอาผมเอามาหาักล้างเยลยสิหลวงพ่อเนี่ยยอมรับในหลักเหตุห ล, ลักผลของทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อไม่ใช่ว่าใช้อำนาจวาสนาโลภโหโมกณนะ เ, เห็นว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะทำอะไรทำได้ ผู้ใหญ่ผู้น้อยทำได้ทั้งหมดนะทำความดีทำความชั่วนะไม่ได้เลือกนะเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยเราก็ทาความดีเป็นผู้ใหญ่ก็ทาความดีเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะทำอย่างลูกก cool. ็ไม si <right? S 2> ่ได้ในเมื <โ tard. S 1> ่อเราเป็นลูกเราจะทำตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นลูกน้องเราจะทำตัวเป็นเจ้านายก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นเจ้านาย เราจะทำตัวเป็นลูกน้องก็ไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราวางตัวให้ถูกการละเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลถ้าทำได้อย่างนั้นเลิศเปรเสิร์ดนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนา